ท่านฟังค่ะตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุ่นจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะฟังรายการสัสนิสนทนาก็ผ่านไปสําหรับในช่วงของประมารชาคาวโรวัดนาปปพงลำลูกกาคลอง10บค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ท่านม้าก็หยุดไปเพื่อพร้อมกับทีฉันนั่นแหละนะคะแต่กิจกรรมของท่านกจะหนักไปที่วัฒนาบปปพงเพราะว่าจะมีผู้ที่ไปฟังผูทวั จ, จะนะกันเยอะโดยเฉพาะกิจกรรมเสาข้าซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ต ไปทั่วประเทศด้วยลักษณะ น, นี้ก็จะมีแอปพลิเคชันดาวโหลดดูกันสดๆนะคะชื่อว่าู้ทวัตรจะนะสถาบันพอพันเสาาืออุทธหานทอทวแหวนจจา น, นอหนูแล้วก็สถาบันตามปกติก็ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูสำหรับผู้ที่มีความสันทัด ในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการซึ่งท่านก็มีเว็บไซต์ของท่านแล้วท่านก็เผยแพรแ่ในลักษณะเป็นมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ซ้ํ า, าในสิ่งที่เราพูดกันในรายการนี้หรือว่าในการที่ท่านแสดงธรรที่อื่นๆนะคะนั่นก็คือพระภัยบุญอภิปุโ น, โนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพระทวัจนะค่ะร่วสักการกัทบท่านคะใช่ปานพูดถึงไฮเทาท่านตอนนี้ มีเว็บไซต์ p พียวธ a รม a คอมหนึ่งนย์ี่เผยแร่อย่างไรครับเป็นลันกษณะใดบ้างข้างบนก็จะจะมีรายการย้อนหลังที่ให้ฟังแล้วก็ยังมีภาคเขาเรียกว่าเป็นพอดแคสต์ที่บันทึกกับคุณหมอนัฐพงศ์เป็นภาคออนไลน์เท่านั้นเองก็จะไปฟังทางออนไลน์ก็ได้สัปดาห์ละครั้งแล้วก็ยังมีเ็าเรียกว่าเป็นลันกษณะของวิดีโอเป็นการอธิบายธรรมะด้วย ใช้ลักษณะของการอธิบายแบบไว้บอร์ดอย่างเงี้ยแต่เขียนเขียนให้ดูว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นี้เป็นองค์ประกอบอะไรต่างๆก็มีก็จะมีอยู่สามสามรูปแบบนี้ค่ะมีภาษาอังกฤษด้วยไม่ใช่เหรอคะมีด้วยมีด้ว ย, วยใช่ใชที่เป็นภาษาอังกฤษส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีคนสมัยเนี้ยบางคนเนีขาถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแม้กระทั่งเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะน้นไปเรียนนังสือกับเพื่อนเนี่ย เขจะเริ่มต้นประโยคแรกกับภาษาไทยก่อนแล้วเขาก็บอกขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษอืมให้อาจารย์เนี่ยตอบคําถามเขาเพราะว่าเขาคงไม่ถนัดพูดภาษาอังกฤษ อ, อ, อไม่ถนัดพูดภาษาไทยอืมค่ะจริงๆแล้ว<อ>บางทีอย่างพุทธวจนะบางอย่างที่ถ้าเราฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วอาจจะมีความเข้าใจที่เป็นอีกแบบหนึ่งหมายถึงที่มากขึ้นนะอ อ, ะอย่างตัวอย่างอาตมาเองนะค่ะเอย่างคําว่าชาญหนึ่งอย่างเนี้ยชาญหนึ่งนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นคนที่สงัดจากกาม แล้วก็สังกัดจากอากุศแลแธรรมทั้งหลายไหนเราฟังตรงนี้มาเป็นโหหลายร้อยเที่ยวือยไหมคุณโยมติวะนะเป็นหลายๆปีที่เราทํารายการมาเนี่ยอาจมายว่าต้องเป็นร้อยเที่ยวเขาแค่เอาแค่คำเนี้ยสงัากกาสงัดจากการสังกัดจากอกุศแลแธรรมทั้งหลายนะในคําว่าสังัดเนี่ยเราฟังแล้วก็คือเหมือนกับเงียบสังัดอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ในภ า, านษาอังกฤษเขาใช้คําว่า secluded s e c l u d e secluded นะก็คือสังัด ตรงนี้ถ้าเราไปดูรากศัพท์ของเขาเนี่ยมาจากคําว่า sec แปลว่าเ ป, เป็นช่องๆเป็นส่วนๆ <Okay. S 1> ก็คือเหมือนกับว่ามาจากรากศัพท์คําเดียวกับคำว่าแมลงนะ insect <Okay. S 1> insect i n s e c t เนี่ยนะที่แปล ว, <Okay. S 1> ว่าแมลงเนี่ย <Okay. S 1> เพราะว่าตัวแมลงเป็นปล้องๆมีสาม <Okay. S 1> ปล้องบ้าง4ี่ปล้องบ้างนะถ้าเป็นกิ้งกือก็มีหลายปล้องหน่อยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นะก็เป็นลักษณะของปล้องนะ sec เป็นรากศัพท์เดียวกันเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> คําว่า c i c l o n เนี่ย มาจากเหมือนกับว่าในตอนกลางคืนคอย่างเงี้ยแม้มาแรงเสียงมแมลงตัวเดียวเราก็ไม่ได้ยินเลยมันเงียบสงัดขนาดนั้นนะ อ, อทำให้เราเห็นแงม่มุมว่าอ๋อสงัดนี่คือเงียบกริบไม่มีเสียงแม้ในเสียงแมลงร้องก็ไม่มีเนะี<อ>่ยเป็นความที่สงัดจากกามสงัดจากากุศลธรรมทั้งหลายขนาดนี้เลยโออนี่ามาเป็นความเข้าใจของเราเองอ่ะนะ เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีก็ก็พอไปได้ <laughs> นะครับะคือต้องบออย่างนี้ค่ะบางคนเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี uh huh. อ่าเขาก็อาจจะฟังภาษาที่เขาเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเข้าใจ uh huh. มาก uh huh. อั น, นั้นก็สุดแทอะ <laughs> แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากําลังพูดถึงการเผยแพร่ธรรมะ uh huh. ของท่านใบบูนเพียวรมะคอมนะคะถ้าจะฟังรายการเราย้อนหลังก็สแลหนึ่งูย์หก กำลังพูดถึงพระภิกษุสมัยใหม่นะคะก็ต้องก้าวตามเทคโนโลยีทายจะทําหน้าที่เผยแผ่สิ่งที่พระศาสดาสอนไว้ทีนี้เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเทคโนโลยีที่ที่เราทําพวกนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นแค่เป็นสื่ออันหนึ่งคือวิธีการนําเสนอมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี แ, ลแต่สิ่งที่นําเสนอเนี่ยยังไงต้องเหมือนเดิมคือคือเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าจเป็นอักาลิทึคุณชมเดียวอย่างถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสมัคครเยียงเนี้ย นะสามาัคคีเมื่อไรมันดีทั้งนั้นน่ะนะจะเป็นสมัยอยุธยานะสวัยรัตนโกสินทรนะ์ถ้าชาติไหนไม่มีความสามาัคคีนะพังทุกชาติใช่ไหมเราเห็น <c oughs> เห็นมาอยู่แล้วนะ <c oughs> ต่อจาการัตนโกสินทร์ไปกี่ร้อยปีพันปีสามาัคคีก็ยังดีอยู่เมืนะ่อ <c oughs> สามาัคคีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ผู้เจ้ายกย่องละนะเป็นอักกาลิโกไม่เกี่ยวข้องด้วยกั <c oughs> นะมีอินเทอร์เน็ตไม่มีอินเทอร์เน็ตมีวิดีโอไม่มีวิดีโอสามาัคคีต้องดีแน่นอนแต่เพดัง <c oughs> นะั้นเราจึงต้องมีกระบวนการ เรียกนำเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปคือวิธีการเปลี่ยนอยู่แต่แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่เปลี่ยนค่ะแล้วก็เนื้อหาตรงนี้คุณโยมติ๋วแม่ผู้เช่าฉลาดมากอย่างที่ท่านมาร์กยกตัวอย่างมันตั้งแต่ตอนแรกน ะ, ะในเมื่อวานนี้ที่พูดถึงเรื่องบุคคลตกน้ําเนี่ยแม่เป็นอุบมาใหม่ที่ที่มันชัดเจนเน่ยถ้าไม่เราเห็นภาพได้<ช>แล้วสมัยก่อนกับสมัยนี้คนตกน้ำมันก็ยังมีนะค่ะนะเด็กตกน้ําปีหนึ่งโอ้โหหลายเป็นร้อยคนที่ที่ไม่รอดอ่ะนะ ทำให้เราเห็นว่าโอ้โหตกน้ําไม่รอดก็มีฮะขึ้นมาจริงเดียวหายไปเลยก็มีนะบางคนตกปุ๊งแล้วก็ไปเลยไม่ได้โผล่ขึ้นมาด้วยซ้ำนะเดี๋ยวบางคนโผล่ขึ้นมาแล้วไหว้ที่นี่หนึ่งแล้วก็ตกลงใบใหม่อย่างเงี้ยแต่มันหลายอาการมากพระเจ้าก็แบ่งเป็นเจ็ดเจ็ดระดับอย่างนี้เป็นต้นนะนะให้เราเห็นภาพได้ดีมากทีเดียวอค่ะก็เป็นวิธีการในการพูดเพื่อความเข้าใจอย่างแจ่มชัดอของผู้ที่มีศิลปะอย่างยิ่งยวดใช้ เปรียบเทียบกับสิ่งที่ใครก็ได้ก็มีโอกาสคือคนกลุ่มที่ท่านสอนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีประสบการณ์เช่นนี้แล้วจินตนาการออกไม่งั้นเถอะใช่ใช่นะคะอันนี้เป็นความสามารถของผู้ทองอ่าถ้าเราไม่ใช่แค่นี้นะคือบางทีสอน <c oughs> เรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ <c oughs> ยกอุปมาเอาไวทั้งสามสี่อย่างนะ <c oughs> เปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยอย่างความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยที่มัน <c oughs> หมดไปแล้วเนี่ยกับความ <c oughs> อทุกของที่ยังเหลืออยู่เนี่ย ม, มันเปรียบเทียบกันไม่ได้บางทีพู้เช้าก็เอาทรายติดปลายเล็บเทียบกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดบางทีก็เอาหินก้อนหนึ่งเทียบกับภูเขาหิมาลายัยแบางทีก็เอาเม็ดผะกาดสองสา ม, มเมล็ดเทียบกับพื้นปะทพีทั้งหมดบางทีก็เปรียบเทียบกับ น, น้ำสองสามหยดเทียบกับมาหาสมุทรทั้งสี่อย่างเงี้ยนะรายละเอียโอกาสก็ไม่เหมือนกันอเท่ากับว่าท่านเพรบุญได้มาเริ่มต้นให้เราชักอยากรู้กันมากขึ้น ก็เลยคิดว่าท่านคงจะต้องเมตตานำตัวอย่างของการอุปมาเรื่องเดียวกันแต่ใช้ตัวอย่างของการอธิบายหลายหลายหลายหลายแบบอธิบายเรื่องเดียวกันนก็น่าที่จะทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกทึ่งในสมมาสัมพุทธะ S <S <S ของเร า, <S <S เราคือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากว่าแล้วในวันนี้สักนิดนึง <S 2> <S 2> ได้สามเรื่องก็ได้นะคุณโยต่นเอ า, เอาพระพุทธเจ้าเอาเรื่องสมาธิก่อนนะแมเดว่าชอบพูดเรื่องนี้มากทีเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเมืองที่มีการเก็บ ก, บกำลังสำรองเอาไว้อันดับแรกเนี่ยสมมติสมาธิเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเมืองที่เขามีอาหารการกินเก็บไว้มาก นะเปรียบเปนมืองกับว่าเอาข้าวสาลีข้าวาบาเล่ข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเนะีเก็บไว้ก็คือทําให้เมืองนั้นเนี่ยมีความสบายใจความปลอดภัยละไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาตีมาอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะเปรียบเทียบกับว่าเฮ้ยถ้าเรามีสมาธินะถือว่าจิตคุณเนี่ยมีของที่เก็บเอาไว้มีอะไรมากระทบคุณไม่กระเทือนนะอัน น, น, นี้อันที่หนึ่งข้าวนี้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนไปอีกประมาณวันหนึ่งแล้วนะเปลี่ยนปัญญา นะยาเช่น อ, อะไรบ้างเนยใสในคข้นน้ำมันน้ำเบิกน้ำอ้อยนะเก็บเก็บไวนะ้เวลามีใครป่วยใครอะไรก็เอามาใช้งานได้อันนี้คืออันที่2พูดถึงสมาธิเหมือนกันเลยนะอันที่3ามนะสมาธิบุญเจาเปรียบเทียบกับพวกหญ้ า, าไม้แล้วก็น้ําพวกนีนะ้เป็นอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้อยู่เป็นประจำในในเมืองเกนะ็บไว้เก็บไว้เวลามีกิจจําเป็นต้องใช้ก็เอามาใช้ได้หญ้าไม้น้ําพวกนี้นะ ยาหมายถึงว่าใช้ก่อไฟไม้ก็ไว้สําหรับสร้างบ้านสร้างไร่ด้ามก็ไว้ดื่มกินได้พวกนี้คแค่สมาธิเรื่องเดียวใน ย, ยกอุมาอุไม่เนี่ยสําหรับทุกๆ ก, กลุ่มคนคถ้าเป็นหมอเขาพูดถึงยาถ้าเป็นชาวบ้านแม่บ้านก็พูดถึงอาหารถ้าเป็นคนทั่วไปก็พูดถึงการใช้งานพวกไมพก้พวกน้ําพวกนี้ก็เข้าใจหมดทุกคนคอันนีเน้เป็นตัวอย่างง่ายๆน่าจะสําหรับคนที่สนใจเรื่องการที่จะเป็นผู้พูดได้ อย่างเก่งกาดให้คนฟังเกิดความรู้ความเข้าใจให้คนฟังสนใจในสิ่งที่ตัวเองพูดปพระพู้ตรงที่ท่านเพรบุญพูดหรือว่าพูดกับหมอก็จะพูดเรื่องยาอย่างงี้ น, นะคะหมอกับยาใกล้ชิดกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพูดเรื่องของเขาแล้วก็เป็นเป็นวิธีที่ทำให้เขาเข้าใจเข้าถึง ง, ง่ายๆเนี่ยผ<ะ>ู้เชี่ยวจริงๆใช่ผู้เชี่ยเป็นผู้ที่ เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคื อ, อหลังจากที่ได้อ่านพุทธวจนะเนี่ยฉันมีความรู้สึกเลยนะครับว่าใครอยากเรียนรู้เรื่องวิธีการพูดมีมีศิลปะในการสอนอย่างสูงเนี่ยถ้าไม่อ่านตำราที่ดีที่สุดในโลกคือคำสอนของพระาศาสดาที่เป็นพุทธวจนะแล้ว ท่านพลาดครูคนสําคัญใช่ใชครูที่ดีที่สุดไม่ต้องบินไปเรียนก็ฝึกพูดในเมืองนอกเมืองนาอย่าง <c oughs> น, นี้นะคะอะไรก็ส่วนหนึ่งคือคือจริงๆริงพระเจ้าแค่พูดนิดเดียวเองนะว่าคือสอนคือคือคนที่ใช้งานกับสอนวิธีที่ตัวเองพูดเนี่ยจะไม่เหมือนกันคุณยมติว อ, อย่างตัวเองอคือนักพูดอย่างนี้นะเขาพูดด้วยพูดยังไงไงพูดแล้วมันฟังแล้วมันดีเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เขาจะสอนเทคนิคที่เขาใช้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง ก็จะไหมอย่างพระเจ้าเนี่ยสอนวิธีการไปพ้นทุกเนี่ยพระเจ้าสอนอยู่สอนด้วยกระบวนการอะไรนะพระองค์ก็ไม่ได้พูดไว้คือพูดอยู่นิดหนึ่งนะเช่นพูดถึงวาจาว่าพระเจ้าสอนยังไงหมายถึงว่าใช้วาจาอะไรที่พูดแล้วคนอื่นจสามารถได้ประโยชน์อย่างเงี้ยก็มีอยู่แต่เรื่องอย่างสมมุติว่าทําไมฉันยกตัวอย่างหรือว่าการยกอุปมาอุปไมยเล่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยพระเจ้าจะไม่ได้บอกว่าไอ้ฉันสอน ด้วยเทคนิคอะไรค่ะจะมีนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้แล้วเราจะงต้องคอยาสังเกตเนี่ยอืมแต่ได้แน่นอนเราจะเราจะรู้เลยว่าโอ้โหพุทธเจ้าดี่สุดยอดตรงตรงนี้เขาเรียก reverse engineering นะดังนั้นคือเวลาฟังมันครั้งที่ท่านมาร์กเลือประสูตมมาก็จะพบนะคะใช่ใช่บางทีบางคนอาจจะฟังตอนแรกได้แล้วงงอ่ะพุทธเจ้าเรา่พูดซ้าพูดย้าพูดออยืประโยชน์เดิมเดม ก็สุดท้ายจะรู้เลยว่าปิดประเด็นไม่หมดเลยไม่มีอะไรรั่วให้ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องเลยอย่างที่มักท <ำ S 1> ําทุกวันนี้อืมซึ่งซึ่งในสมัยปัจจุบันเขามีสอนเทคนิคการพูดเทคนิคการอะไรต่างๆก็คงจะมีบางส่วนที่ที่เขาเรียกว่าใช้ของพุทธชาเหมือนกันอนะที่สอดคล้อง ก, กันก็อา จ, จะมีมค่ะเดีย๋ยวฉันก็เลยจะเทียให้อ่านอสิ่งที่พระพุทธรัตสอนซึ่งเราเรียกว่าพุทธวัจนะค่ะ ว่าไม่ว่าท่านจะสมมุติว่าท่านไม่สนใจหลักคำเลยท่านสนใจแค่วิธีการสอนเนี่ยท่านก็ได้ประโยชน์มากหลายแล้วใช่ไหคะแล้วยิ่งถ้าท่านได้สาระในนั้นด้วยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อ่ามากแค่ไหนท่านคะเดี๋ยวฉันกำลังอ่านเรื่องคนที่ฝึกตนแล้วประเสริญยิ่งกว่าช้างคะคะอาชาไนานี่มาเลยคะ่ะช้างอาชาไนาก็มี อ๋อเ oh, หรอคะ่อาชาณีนี่หมายถึงว่าฝึกดีแล้วเอ่านั่นสิค่ะก็บอกว่าเนี่ยอาชานัยกุณชรฝึกแล้วล้วนดีแต่คนที่ฝึกตนแล้วนั้นประเสริญยิ่งกว่านั้นอันนี้พุทโงตรัสไว้หรือเปล่าคะเ อ, อสามารถตรวจสอบได้อยู่ถ้าเรามีซอฟต์แวร์ลองกีนเข้าไปนะคือบางทีเราไม่ได้เห็นคําว่าพิสูุ์ทั้งหลายเนี่ยนะหรือว่าเป็นบทสนทนาที่พระเจ้าตรัสกับใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่ได้ว่าไม่ใช่ไม่เป็นพุทธวจนะก็ได้อะน ะ, ะอาจจะเป็นพุทธวจนะก็ได้เพราะบางทีพระเจ้าก็พูดลอยลอยขึ้นมาคนเดียวอย่างเงี้ยก็มีนะีบางทีสนทนากับพระเจ้าเป็นเสด็จที่โกศลแล้วก็พูดสรุปเป็นคาถาเป็นบทกลอนสุดท้ายก็มีอย่างเงี้ย<อ>มันก็ไม่ได้อาจจะเป็นก็ได้นี่คือวิธีทดสอบที่หนึ่งคือไปคุณตรวจสอบในพรนะไตรปิฎกเนส่วนที่ไม่ใช่มันก็มีะนะทีนี้ว่าวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งที่ธรรมาใช้อยู่เป็นประจำก็คือว่าคุณไปเทียบเคียงกับสูตรอื่นๆ สุดอื่นๆว่าเออมันมันลงกันได้ไหมถ้ามันลงกันไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แน่ถ้ามันลงกันได้มันอาจจะใช่ก็ได้อย่างน้อยอัถะลงกันได้บทพยัญชนะลงกันได้อันนี้ใช่แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าบทพยัญชนะอาจจะไม่คุ้นๆแต่อัฐะลงกันได้เอออันนี้อัฐะก็คืออัถะมันใช่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณยมติยกมาเนี่ยอาชนา이นี้ผู้เช่าพูดแน่นอนช้างอาชนายมัสอาชนาิบุรุษอาชนาิผู้เช่าพูดแน่นอนแล้วเรื่องของบุตรอาชนาิประเสริฐกว่าช้างอาชนาิไหมอันนี้ผู้เช่าก็เคย ตรัไม่ในยะที่ลักษณะว่าบุรุษที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นยอดแห่งบุรุษนี้ก็เคยอยู่อย่าง<ม>พระองค์เป็นยอดแห่งสัตว์2เท้าพระอาารทั้งหลายยอดกว่าสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสอดคล้องกันอยู่นะโดยอัถานีเ้เข้ากันได้แนะ่บทเพียรฉะนั้นต้องไปเปิดซอฟต์แวร์ดูต้องไปลองทำ<ข>ดูคําว่าฝึกตนของพระพุทธองค์หมายถึงฝึกอย่างไรเพราะว่าถ้าอย่างเป็นพวกเราเนี่ยมันแหมแล้วแต่เลยนะคะว่า บางคนเขาก็ฝึกให้ร่างกายกำยำแข็งแรงฝึกตนของพระพุทธเจ้าฝึกเรื่องไหนเหรอคะก็ฝึกฝึกจิตให้มีกําลังฝึกจิตให้มีกําลังสั้นีๆตอบสั้นๆเลยแต่ถ้าจะาย<ช>ขยายความไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือฝึกให้พ้นจากมีกําลังพ้นจากกิเลสพ้นจากกิเลส ท, ที่เป็นอ า, า ก, การตุกตาจรมาค่ะอืมถ้าเราไมกําลังใช่ถ้าถ้าสมมติเราฝึกร่างกายเนี่ย เราเปรียบเทียบง่ายๆฝึกร่างกายคุณก็ป้องกันสิ่งต่งางๆภายนอกได้แต่เรามันต้องป้องกันภายในไม่ได้ความคิดความอะไรเราป้องกันไม่ได้นจนกระทั่งเรามาฝึกภายในรเรบป้องกันความคิดได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าฝึกที่ดีแล้วนะคะดังนั้นสองวันทิบนี้ระหว่างที่ไม่พบท่านพบูรลไม่พบรายการสัมสนีสนทนาก็ให้ฝึกตนด้วยการฝึกภายในไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ฝึกได้อย่างไรกันนะคะก็โดยการที่มีสติ สติมีอยู่ได้ตลอดกับสิ่งที่เราทำทุกอย่างเลยลเราทำไปทำไปก็จะค่อยก้าวหน้าไปใช่ไฝึกจนถึงจบนั่นแหละก็จะแหมดีมากแล้วระหว่างการฝึกก็ค่อยดีขึ้นด้วยค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้กับการฝึกตนตามแนวทางของพระศาสด า, าของเรานะคะและนี่คือรายการสรนสินสมนท น, นาช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะโดยพระภบยบุญอ ภ, ภิปุณโญวัดป่าดอนหายสงดนนุดรทนก็ กราบนมัสการขอบพระคุณท่านสำหรับวันนี้ค่ะเจ้าฟานเจ้าฟานค่ะแลนี่ก็คือรายการสรัสนิษฐานาที่ฉันสันนิษฐานพงดำเนินรายการนะคะในวันหยุดนี้ท่านก็ใช้เวลาให้ได้ทําในสิ่งที่สมควรทําแต่ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติอยู่เสมอนั่นเท่ากับว่าท่านได้นําเอาคําสอนของพระศาสดาไปปฏิบัติแล้วแล้วก็แถมยังจะทําให้ การที่ท่านจะต้องทํากิจอื่นๆในชีวิตประจําวันนั้นเกิดขึ้นได้ไปพร้อมๆกับการที่พยายามมีสติของท่านนั้นด้วยนะคะรายการนี้เรามีหนังสือพุททวจนะค่ะให้ท่านศึกษาคําพระาศาสดาเรากําลังประกาศให้ท่านทราบว่าวัดที่พระภิกษุสองรูปซึ่งได้เมตตามาให้ธรรมะที่เป็นผุ้ทวจนะกับท่านทั้งหลายกําลังจะสืบทอดประเพณีแต่ครั้งพุทธกาล ถวายผ้ากฐินให้กับพระภิกษุที่สมควรจะได้รับในช่วงพ้นจากพรรษานี้ก็เรียงลำดับเลยนะคะถ้าวัดนาป่าพงก็จะเป็นวันที่สี่พฤศจิกาถ้าวัดป่าดอนหายโศกก็จะเป็นวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาแล้วก็ท่านไปบูลถ้าอยากจะส่งคำถามอะไรไปหาท่านก็เพียวธรรมะด o m คอมลหนึ่งศูนย์หกนะคะพบกันใหม่ในวันปดาห์หน้าค่ะ พูดทูตสวัสดีค่ะ